ตังธรรมะท่ทานุกคนก็เคยสับรับฟังมาพอสมควรแต่ถ้าว่าจิตใจจะเป็นไปตามธรรมะที่ท่านนีสอนของเราท่านยังไม่เป็นไปอย่างนั้นเหตุนั้นจึงอาศัยการสดับรับฟังพอการฟังจํามาจากสัญญามีการหลงลืมเป็นธรรมดา คนลึกได้บางทีก็หายไปดังนั้นจี่จำเป็นที่ของเราจะระดับรับฟังการรับฟังธรรมะพร้อมกับการนั่งภาวนาไปโดยกันฟังธรรมะในระยะที่ทัานแสดงธรรมเรากำนึนง่ายสะดวกสบายเหมือนทางกลอม เด็กให้หลับจิตใจที่เคยปรุงปรุงไปต่างๆเราตั้งหน้าตั้งธรรมะจิต ก, ก็ไม่ได้คิดปรุงปรุงไปในอารมณ์สัญญาภายนอกฉะนั้นจิตจึงได้ับความเยือกเย็นสงบฟังเป็นก็เกิดประโยชน์จากการรดับรับฟังในด้านฟังธรรมะ ยังเป็นทางปฏิบัติรักษาใจแง่หนึง่งเหมือนกันกับรอยธรรมความเพียรธรรมาดาของเราฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนสมัยเก่าก่อนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พูดสะดับรรบฟังได้มากได้ผลต่อพระภาพของพราองค์ก่านนับไม่ถ้วน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 ไปสู่สัญญาอารมณ์ภายนอกแต่นั้นธรรมะจึงไม่เป็นยยกเป็นยาที่จะแก้เคลียตัญหาภายในใจของเขาธรรมะของพธธระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระอ ง, งค์กับธรรมะที่เราศึกษามาจากสำหรับตำราที่แตกแตกต่างกันเพราะพระไทยของท่านเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ พูามมาออกไปเิดพระไทยบริสุทธิ์แล้วก็มีภั ย, ยานภายในเข้าใจนิสัยของสัรโลกที่ควรแนะนเหมือน ก, นกันกับหมอที่รู้จักสมุทรฐานของโลกจะนำยาอะไรมารักษาพอตรวจผีทวนแล้วก็มีทางที่จะหายได้เป็นส่วนมาก ถาหากไม่รู้จักสมุทฐานหายาตาร้านตลาดมารักษาเองไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรนั้นมนก็ล่ากินหน่อยบางทีก็อาจจะลมหายตายไปโรคภัยไม่เหียดหายฉัน้นใดทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกออกจากพระโอษฐ์ผู้สดับรับฟังตั้งจิตตั้งใจจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แต่ผู้สดับรับฟัง ในสมัยปัจจุบันคนระดับรับฟังก็ดีคนจีแสดงทำก็ดีหายยากที่จะมีทำบริสุทธิ์ในใจผู้ระดับรับฟังกวรจะตั้งใจระดับรับฟังจริงจั ง, จงเพื่อการปลดทุกข์หายากผู้แสดงก่อแสดงพอเสียไม่ได้ผู้ฟังก่ฟังเอาอุปนิสัยของให้เด็กไปเกิดเป็น เทพไวเจ้าเทวบุตรเทวดาไปทานองนั้นความตั้งมั่นว่าจะจับเอาอัดทรรมที่สันแนะนำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติกายใจทองตัวตัว่ผลทุกมีน้อยฉะนั้นการแสดงรมหรือการฟังทำอันิสงสิ่งต่ำ ม, ม่เมืองสมัไมก่อนถึงทำคำสอนจะเป็นอันเดียวกัน แต่เธอว่าผู้สแสดงและผู้รับฟังไม่เหมือนกันเกี่ยวกับดูดึงว่าคนที่ฉลาดทําอาหารถึงแม้จะเนื้ออันเดียวกันปลาตัวเดียวกันคนฉลาดจะต้องทําได้หลายอย่างและรสชาติอริดอร่อยคนโง่คนที่ไหมเคยทํากลัวกว่าจะทําได้ไม่ดีเหมือนคนที่เคยทำครัวมา ชั้นใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีในชั้นนั้นไม่ผิแปลกแตกต่างอะไรกันถึงธรรมะจะเป็นธรรมะแต่เทว่าผู้สแสดงไม่ฉลาดสามารถที่จะหยิบยกขอบหยบเทียบต่างๆให้ผู้ระดับเราฟังเข้าจิตเข้าใจแใส่ใสชัดเจนได้เหมือนพระพุทธเจ้านอกนั้นผู้ระดับเราฟังที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัต นำทำนั้นมาวิใจวิจารเพื่อรู้เพื่อเข้าใจจริงจังก็หายากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไปเมาเอาวะธรรมะของพระพุท ธ, ธเจ้าหมดการหมดสมัยเพราะสะดับรับฟังมาก็ไม่ด้รับตาระประโยชน์อะไรทางใจอาจจะไปคิดแบบนั้นก็เป็นความคิดเฉพาะบุคคล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 ผู้เห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากหากผู้จะศึกษาตามตำรับตำราแต่ถึงมากขนาดไหนก็ไม่ห่างไกลไปจากกายใจของพวกเราจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระปรมาติขอบัญญัติออกไปจากกายจากใจทางนั้น ดังนั้นจึงรวมลงมาว่ารูปวาธรรมนามะธรรมสิ่งที่เป็นรูปทั่วไปเป็นธรรมะสิ่งที่เป็นนามหรือจีนไม่มีตัวตนไม่เป็นวัตถุเป็นนามะธรรมนี่หมายถชงใจผู้ที่ได้ธรรมะหมายเชงใจผู้ที่เห็นธรรมะไปในสถานที่ใดเห็นอะไร ให้คิดทินี้พิจรารณาให้เป็นธรรมะผัวไปไม่ว่าต้นไม้ภูเขาไม่ว่าสัวาาวาตว์ไม่ว่าบุคคลพอเห็นเขา้าทีนี้พิจรารณาทางธรรมะรูปนั้นก็เลยลายเป็นธรรมะอย่างว่ารูปว่าธรรมสามารถที่จะแนะนำสอนใจไม่ให้ประมาทสอนใจให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมชาติถาดขัน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 ความจริงธรรมะผู้ที่มีในใจไปสถานที่ใดไม่จนธรรมจะไปอยู่ในป่ากวามีธรรมอยู่ในธรรมในเขาก็มีธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแผ่นที่เจรณาเป็นธรรมใจเป็นธรรมเห็นอะไรเป็นธรรมใจเป็นอธรรมเห็นอะไรเป็นอธรรมไปหมดฉะนั้นการฝึกอบรมจิตให้เป็นธรรมจึงเป็นของธรรมยา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 ทำบุคคลและสัตว์ทั่วโลกให้มีความสุขฐามีธรรมะจะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขะโตอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดสุขกายสุขใจเพราะธรรมะรักษาอาไว้ไม่ให้กายให้ใจของคนนั้นเดือดร้อนวุ่นวาย ธรรมะรักษาผูกกับพฤติธรรมอย่างนี้ดังนั้นผวกเราท่านที่สนใจในเรื่องธรรมะจึงควรกำหนดชนิดที่จะเล่นาเพราะธรรมะเป็นเค ร, ร, ร, ร, รื่องสําราญกิเลสตัณหากิเลสหมายถึงความเศร้าหมองของใจตัณหาหมายถึงความอยากของใจความเศร้าหมองของใจเอาเคยอธิบายให้ฟังเกิดขึ้นจากอารมณ์สัญญาอาดีตที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ ความอยากข้องใจก็คือความไม่สมบูรณ์ในอดในธรรมมันถึงอยากหากสมบูรณ์ในอดในธรรมแล้วความอยากจะ ต, ตกจะหล่นไปไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าความอยากสันเรียกว่าตปันหาจะตกไปจับ จิตจากใจของท่านแม่อยากจะไปนิพพานก็ไม่เคยนึกคิดเพราะเหตุใดเพราะท่านรู้ท่านเข้าใจว่านิพพานอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรจิตใจที่ถึงนิพพานได้หมดทุกด้านเรื่องความอยากมีการประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดจุดหมายเป็นอย่างนั้นหายจากความเศร้าหมองขุนมัวพลองใจหายจากความอยากทั่วไป ไม่มีอะไรจะเกิดความอยากขึ้นเมื่อหมดความอยากความทุกข์ในจิตในใจที่จะสแสวงหาก็ไม่มีจิตใจจึงสงบเต็มที่สะดวกสบายดังนั้นการประพฤติปฏิบัติใจจึงเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกผู้ประพฤติปฏิบัติใจของตัวได้จนเป็นพระ ประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะเกิดทบอะไรจิตใจนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและแสดงอากัปกิริยาถาทีให้ตัวของตัวเห็นเพราะจิตใจตายทล า, ายจากโลกเป็นอย่างนั้นพระแบบนั้นจึงเป็นพระหายาด้ืยใจเป็นพระส่วนพระ หาง่ายในสถ า, านที่ใดมีทั่วไปส่วนพระใจเป็นของหายากส่วนพระใจนั้นไม่ต้องไปบวชในโบสถ์ก็ได้ใจที่เป็นพระส่วนพระเทพระสมมติทรงบวชมีอุปัชาอาจารย์ส่วนพระใจนั้นอาศัยข้อปฏิบัติกําจัดความชั่ว ต่างๆสำรักสะสางจิตใจที่ขุนมัวเศร้าหมองโลภโกรธหลงออกจากใจจนใจไม่มีมนพินอะไรติดข้องผ่องไสสว่างสวัยอยู่ทุกระยะเวลานี่คือพระที่แท้จริงถ้าแบบนี้มีอยู่ในผู้ ป, ปฏิบัติไม่ได้อยู่ สถานที่อื่นจะไปขอดูพระหรือเห็นพระที่อื่นนั่นเป็นพระภายนอกพระภายในอยู่ที่ใจใจที่เป็นพระใจที่เป็นสมณะคือสงบระงับดับความคิดปรุงในเลียงชั่วเสียต่างๆเป็นพระที่หายาแล้วตาธรรมดาสามัญชนก็ไหมคอยจะเห็นกัน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 ฝึกเขาอบรมเขาเห็นเขาเป็นแล้วความสงสัย น, น, นั้นจะตกไปไม่มีอะไรจะเกิดสงสัยอีกเพราะเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจของเขาผู้ิละจิติมานะลายจิเลตันหานั่นแหละพระพุท ธ, ธเจ้าให้เฉอียวพระสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็น ภัยอันตรายส่อสัตว์และบุคคลอื่นในหน้าว่ายลังหลอกต่อพืตรงไปตรงมารักษาตัวของตัวไม่หทำชั่วผูดชั่วชิดชั่วนี่คือสุปฏิปันโนเป็นพระเบือ้องอต้นถึงีิเลตัญหามานาทิติยังมีอยู่ก็ตังนาตังตาส ำ, ส ำ, สำสารับสำลับสาสางไม่นอนใจ มงมั่นที่จะประพฤติตัวของท่านให้พ้นโลกเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นทางสำลัะเป็นทางล้างจิตใจที่เสาร์หมองขุนมัวให้ตกไปจะทำจิตใจให้พ้นจากโลกไปได้เชื่อมั่นว่าตัวของท่านมีห น, น้าที่จะประพฤติปฏิบัติ ตัวของท่านสามารถที่จะกําจัดความชั่วต่างๆให้หมดไปได้แล้วก็ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษาไม่ชั่วเข้ามาทับถมกายใจของท่านชั่วที่มีอยู่ก็กํากจัดปัดเป่าออกไปนี่คือสุปฏิปัปโนโนผู้รักษากายวาจาของท่านดีอุสุปฏิปัปโนโนต้อง ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่วกวนไปที่อื่นต่างหน้าต่างตาต่อเพื่อปฏิบัติไม่ได้เห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสาคัญยิ่งกว่าการประเพื่ปฏิบัติํำระกายใจของตนทำคำสอน mm hmm. สอนอย่างไรประเพื่อปฏิบัติกายใจตรงไปที่นั้น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 เร่งรีบขวัขวายตั้งสติตั้งปัญญาที่นีท่ที่เะริญนการทำจริงจังมุ่งหวังจากจะข้ามพ้นจากโลกถ่ายเดียวญยาญยาปิติปันโนสานีจิหมายถึงพูดถึงจุดหมายปลายทางปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกอรหรันที่ท่านสำเร็จมาเก่าก่อนเป็นอย่างไรใจของท่านก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะไปถามว่าใจของเราเป็นอย่างไรหมดจดหรือไม่ถึงที่สุดหรือไม่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะถึงที่สุดจุดอันเดียวกันกับสาวกและพระพุทธเจ้า น, นี่จะบอกว่าสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะสงสัยในตัวของตัวนี่แหละชื่อว่า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 จึงไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าความเป็นพระมีหมายถึงพระทางใจแล้วก็ไปเป็นภัยต่อสังคมไปสถานที่ใดยังความสุขความสบายมาให้แก่ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณะ น, นันจะทัดนตนังเยตมังคล า, ามุตตะมังคนจี่เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด เพียงใจเห็นเลื่อมใสเต็มใจเท่านั้นทั้งทั้งที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเพียงเท่านั้นก็เป็นโมคลสาหรับคนจีเห็นจึงมีนิทานในพระสูตรเลื่องสัตว์ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนกเข้าเป็นตน้นเขาตายไปยังไหนไปเกิดสวรรค์ทั้งทั้งที่เขาเป็นสัตว์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 จิตกำหนดใจของตนีนิ้ที่เจรนาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามกัน้นวิเลตันหาที่มาหยั่วายุจิตใจไม่ให้เขามาเกี่ยวข้องพยายามปัดเป่าออกไปด้วยสติด้วยปัญญาทำจิตของตนให้นิ่งแนวอยู่ในความสงบ หรือพนิษพิจารณาก็พิจร า, าจรณาด้านละขอนไม่ใช่ด้านสะสมนี่เรื่องผู้ที่จะพิจิพิจรารณาผู้ที่จะเห็นสมณะภายในอาศัยความสงบของใจแล้วพิจารณาไปในเรื่องถาดขันธ์ต่างๆขนัดชัดเจนไม่ติดข้อง พออาศัยปัญญาภายในใจพิจารณาอะไรเห็นประจับความจริงเราทุกคนก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเกิดปัญญาเห็นไม่แจ้งเห็นเพียงเงาเงาเห็นนั้นพวกเราถึงหลุมหลงกันที่ท่านเห็นภายในใจเห็นแจ้งไม่เป็นอย่างนั้น ไม่มีวันที่จะหลงเห็นอะไรชั่วก็เข้าใจว่าเป็นชั่วดีก็เข้าใจว่าเป็นดีไม่มีอ า, ออาอ ก, กาิเหมือนจิตของเราที่ไม่ได้อุรมศึกษาเหมือนจิตของเราที่มีกิเลสตัณหาเป็นผู่น้าดังนัน้นจึงมีความสุขความสบายสงบเป็นสมณะเต็มที่สมณะ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 ส่วนชาภายในผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้หากฝึกรักษาะชาภายในจะเกิดขึ้นอาศัยความสงบของใจอาศัยชนิดที่เจรณาละถอนกิเลสกิเลสก็คือเรื่องความเศร้าหมองของใจใจที่จะเศร้าหมองก็เพราะใจที่ติดข้องหลุ่มหลงในสิ่งต่างๆสิ่งที่อยู่วายุจิตใจให้เศร้าหมองโดยส่วนใหญ่ ท่านเก่าเอาไว้ก็คือเรื่องปัญหาราคะความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงแล้วยึดถือเชื่อมั่นตามโอหันต์สมมุติของโลกเขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นโดยไม่ได้ที่นี้ที่เจอในจริงนั้นัน้นตามเป็นจริงข้องมันแล้วก็เลยลุ่มหลง ยึดถือว่าเรารู้เราเข้าใจแต่รู้เียงจิ้วเผินไม่รู้โดยใจจริงจึเงเกิดความหลุ่มหลงเกิดความเศร้าหมองเกิดความยึดถือถ้าหากที่เมื่อที่เจรณาตามเป็นจริงแล้วเกิดปัญญาในตนเห็นแจ้งในตนละถอนความยึดถือนันนั้นสมมติ ของโลกเป็นอย่างไรจริงสมมุติพอยกให้แต่จริงปรามัาททางใจของท่านมีถึงเป็นคนละอันละอย่างกับโลกเขาสมมุติเพราะท่านที่นี้พิ่เจณารูปประจักษ์ชัดแจ้งในตัวของท่านอำนาจปัญญาฟาดฟันความลุ่มหลงติดข้องต่างๆตกออกไปใจของท่านเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้น จึงเป็นสมณะทุกวันทุกเวลาสมณะส่วนนี้ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณะนา น, านจะทัดสนังเห็นจากตัวเองเข้าใจจากตัวเองใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้ไม่เพียงเห็นแต่ตาเห็นถึงใจมีความสงบสว่างสวัยเป็นมงคลใหญ่หลวง ไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐไปกว่าสมณะทางใจฉะนั้นสมณะภายในพวกเราทุกคนจึงควรสงวนรักษาควรที่นิพพณาให้เห็นเพราะมันมีอยู่ทุกปุกทุกนามทุกคนไปถ้าหากฝึกอบรมตัวจะเห็นสมณะภายใน คือความสงบของใจผู้ที่เห็นแล้วคนนั้นจะพลจากอบายะภูมิทั้งสี่ไม่มีจะไปตกนรกอเวจีเป็นเปรตเป็นผีต่อไปคือใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเด่นชัดอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงพบหน้าชาติหน้าว่าจะไปตกนรกอเวจีเป็นเปรตเป็นผีพบปัจจุบันทันตาใจที่จะ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 ในเรื่องกิเลสตันหาไม่มีมดับค้นไปได้จากอบ า, ายภูมิทั้งสี่เมื่อเห็นสมณะภายในจิตใจของตัวจริงจังแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่สนใจมาประพฤติปฏิบัติพึ่งพึ่งฝึกหัดอบรมตัวของตัวละมัดระวังความชั่ว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 อยู่ปกติมีแต่ใจเท่านั้นที่คิดปรุงในในทางชั่วทางเสียต่างๆจิงควรจริงควรระวังรักษาใจของตัวจะให้ไปคิดชั่วสงวนใจเอาไว้ตั้งใจกําหนดอัดทมให้ใจสงบให้ใจเย็นโทษจากความปรุงคิดต่างๆเพราะเคยคิดปรุง กันมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีเกิดจากการคิดปรุ ง, งนั้นนั้นไม่มีอะไรที่จะป ร, ะเริเศษได้ถ้าหากการคิดการปรุงการปล่อยไปตามสัญญาออมเป็นของดีแล้วเราทุกคนจะพ้นจากที่เหลือไม่มีอะไรที่จะมาเป็นทิศไทยของใจไม่มีอะไรที่จะอยากได้อีกต่อไป